คนเดิน สกอยาทิติเห็นลูกเห็นนามแล้วทางตรงเป็นจริงเห็นสีลึกพัตตปลามะรวมหรือสิ่งลึกศักสิทธิ์ึซึ่งลึกลับหาสิ่งอะไรที่มันทำไม่ได้มาจจะมีนิทพิทิหารอย่างนั้นทานไปได้ในสงสัย ทำไปได้เห็นทิศถึงนทางเห็นกระแสเห็นคิดเหนือทิ ศ, ทศใต้ต่วันตกตอนออกแล้วพอหลงบ้านหลงเมืองจบ ก, ก็ออกจบก็ออกพอเห็กระแสเราก็รู้แน่นอนแล้วต้องไปทามนสนุกเปลี่ยนควมหลงเป็นความรู้เปลี่ยนควทุกข์เป็นความรู้เปลี่ยนความผิดเป็นควมรู้เปลี่ยนคว ป, ปวดกลางอะไรต่างๆเป็นกลวรูมีกระแสแน่นอนแล้วไม่ร้องมีสงสัยแล้วแม่ว่าน้ำขึ้นขึ้นหน่อยไม่ลอยก อ, อ, องอุสาเบกหน้าแดงหน้าอกเหมือนสติค า, คามีมักสติคาพระทางมีขน ล, ละสัมย์ได้ มีการห้องติดอะไรบาวางรองบ้างชามวัฒรปฏิฆาหนะทิกจิตจิมันถือมันในอาการต่างรางรงเป็นรางควาหนักเป็นของเาบาบางความทุกข์เป็นควงไม่ทุกของเลยว่า มีผลังที่มั่นใจแกกว่าไปอีกเห็นที่เต็ารเราเอียงไปแล้วมาเพียงเขาเพียงน่องล้วก็เนื่ยหอนแล้วสู้ไันหวนกลับมาอีกเดยวคนที่อยู่ในโค้งแล้วมุดมุดโปโพเราก็ยังน่องได้ไหม แต่้ไีไม่ได้แล้วจะไปสุขไปทุกมาด้แล้จะไปกดทบหลงมาไแล้วเด็กผู้มีพเดียวก็หลงปับก็เปลี่ยนความลงปั๊บเดียวไม่กลับมาหาความหลงอีกถ้ามีความละความจำางทุกขเกิดขึ้นหรือผิวผืดเปินิดหน่อยจะไป้เลยไม่เหมือนผู้ที่มีพหลาย ปวดเร r ่องปวดอีกทุกเรื่องทุกอีกเรื่องเก่าออกมาทุกออกมาสุกออกมาปวดมาล้มมาหลงแต่อาการนี้เด่นไม่เป็นลยคเป็นสุกว่าลอยคอลออยคอขึ้นตลที่ลอยคออยู่ขึ้นต่ำง พอถึงอนาคนามีแบบฝองกระถ่าเหมอนเจ้าพระยารือดวเจ้าพระยาเทียบท่าได้เห็นนีเทียบท่าไ้ม่เป็นเนี่ยขึ้นาจะฝังจับเรือกายก็ดีใจก็ดีเหมือนพวแย่พองแองยขึ้นของอเมรันน <laughs> มีที่อปมาอุปหม้ั่นแหละก <c> า <oughs> รปฏิบัติธรรสัจธรรมพูดมถูกไม่ได้เอาสมมติมาพูดนี่นเป็นอย่างนี้เราะนั้นเราสวดไม่ใช่สวดเฉยมันเป็นอยู่ในเราทั้งนั้นเอาที่เรามาสวดนีน่มันอยู่ในเรารเราะต้าคตเราเป็นตถาคดท้านทั้งหลายก็เป็นปตถาคตเหมันเรา เราก็เป็นหมืกระท่อมังหลายเราตถาคตก็เหมือนท่อมนังหลายต้นนังหลายก็เหมือนเราตถาคตเดินทางเส้นเดียวกันเดินคนเดียวไปถึงที่เดียวกันนี่เว่าเหมือนกันไปถึงที่เดียวกันเดินคนเดียวไปคนไปเส้นเดียวเหมือนกันหมดใายก็มีกายมีใจ ใครก็มีสติใครก็มีตัวหลงปัญหาของกายปัญหาของใจก็มีเหมือนกันสมัยก่อนพระพุดธเจ้าสมัยเป็นผู้โอดพฤติกรรมทำอยู่วาจะย่าพวกเราไม่มีเพื่อนสักคนเลยอยู่ขี่ม้าโคล ง, งกลางป่า สสตร์ราชการเรียก่มลุงเด็ดด้วยการสับทั้งหลายหนิมากฝนตกกเกียดเกลียดตก็ร้อนตอนนี้ก็ไม่หวั่นทำไมขัางอขอพึ่งตกวารมีเพื่อนมีมิต น, นั่งอยู่ที่นี่อยู่สบายหัวใจนี่ตกเราก็ไม่เกียดมันทำไม่ติดใจไม่มีราหาร อาจจะงอนชิบเก็บเชือกได้มากกว่าพวกราแต่ดก็พเราไปอยู่ที่เทียบกที่บานของท่านอาจจะไม่ได้ที่บ้านของท่านอาจจะมีตู้เย็นในห้องนอนห้องอเราาไสะกสบามาอยูนี้วคนโตนทางนั้นคลตอย่เดวเตู้เย็นไม่ได้มีตู้เย็นใ้ปิีก็ต้อง คาาะร่อนี้อะไรตัวอะไรอยาคิดวายากือบความยากหรบาปเราเฉื่อแข็งความผิดทำเราเฉื่อแข็งควทุกข์ทเราเื่อแขอย่าอนเลยในความผิดควาทุกข์ความยากหรบาปครูสตัวนี้นี่แบโจโกายก็มีทุกคนใจก็มีทุกคนวิญาเรามทุกคน เนทัเยอะทุกยันยาก็ามีทุกคนลูกพลัดฉีเสียมีทุกคนตาหูจมูกเลี้ยงกายใจมีทุกคนไม่ใช่มีไม่มีอะไรเหมือนกันเหมือนกันหมดปฏิจจสมุปาค่งนี้เหมือนกันรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจรู้อาการของกายรู้อาการของใจรู้ธรรมชาติของกายรู้ธรรมชาติของใจ รู้แจ้งว่าวิปัสนาพอจะจริงได้ทำไมเขจะจริงนั้นไม่เห็นแจ้งจริงเลยทให้เห็นแจ้งมันสีนั้นที่เรื่อว่าร่วงพ้นภาวะเก่าเขาถึงวิปัสนากรรมาร่วงพ้นภาวะเก่ า, ปากปเปลี่ยงแปลงไปได้หลงหลงเป็นความรู้เสียแล้ว กเป็นความรูเห็แล้วความโกรธเป็นความรู้เห็แล้วอไก็เหมือนกันหมดเราจะสอนคนเราไม่ได้ไปสอนที่เกราสอนที่เรามันมีตำลาทีเราเอาเป็นตัวประกอบเราทีเดียวเช่นลัิี่ทุเหมือนกันหมดมีตำราวทุกข์ นี่ส่ทุกอาการตุกตักทุกทุกริสัทธีใจมันกันหมดนี่ส่วนกอบคนเดินเราโกธรคนเดินราทุกเราไปกธรทุกมาแล้วสอนกันได้เรไม่ได้ไปหาอะไรมาเช่มันกันหมดฝันหยางต้อรู้ทุกฝันหยางมันเท่าทุกฝันหยางต้องละต้อนละ ตัวคนละคูบันเท้าวับบันเท่าไม่ใช่ไปเอามาทุกทุกแบบที่เป็นหมูเป็นตัวทุกไปเลยแยกออกเกี่ยวข้องกับความทุกข์ทุกอย่างถูกต้องทุกฝังยังทำให้เราฉลียวแจ่มเฉงชนะโต้คงใหญ่ไม่นกินหัว ราไปอยู bio, bio bio, ่ที่ิตแห่งขุนตะกุนไดในโลกเหมือนกัมันการมีใจมันอยู่ด้วยมี่ลูกมีรถมีกินไมีเสียงลูกรถของโลกก็คือรูปรถกินเสียงสาวหัวถูรีบกระจายเป็นโลกอีกไม่เป็นโลกอันเนี้ยก็อยู่เป็นิไม่รู้จะยิงไม่รู้จะเบือ ความอยากในลูกในรุปในจินในเสียงเนี่ยไม่อิ่มเหมือนมห า, า, าสมุทรอธิฐานสมาธิไม่น้เสมอทุกอธาไม่มีเสมอทุกความอยากก็มีแล้ก็วันนั้นมาลูะจะได้เป็นสลัทธาในตัวความอยาก ความอยากที่ว่านี่มันไม่คู่ชีิอมันรูปรูปจินจริงอ่ะอันอยากอันกินข้าวมันใช่ความอยากเป็นความโหยของก่อความชอของขังขา ง, ข อ, ง, ข อ, ง, ข อ, งอันอิงเป็นอันกั n อิงเป็นเหนียวข้ากิาองอเ ป, นนอนอเปน็นนอนก็อิงเป็นถ้านอนชอบนอนนอนจะเกิ น, น่ร้อยสิเอไม่ไหวต่อจากกืไนอนอยู่เกือบสองปีที่โรงพยาบาลจุฬา เหนคนเดินน้องตอนหน้าตางมองระกันสวนลงที่นี่ใกล้ลงลงที่นี่เห็นคนวิ่งเห็นคนเดินโอ้ยเมื่อไหรเราจะเดินได้คงมีโอกาสแล้วน้อเห็นคนเดินไปเดินมามันก็เราเช้าเดินไม่อยากนอนมันก็เป็นไปแลนวสบาดีนอนเช้าเกือบสองปีนไม่ดีเลย นั่มันดีมันก็ไม่ได้ยืนเดินมันก็ไม่ได้ถึงอนิจจังห่เที่ยงถึงอริบ و ที่เราจะต้องบรรเตาอยู่ด้วยไม่ใช่ความยากเป็นการบเทาไม่เอามาเป็นทุกข์เแ่ตนี้แต่ว่าเียวรูเไม่เห็นอะไรหรอกมออยู่นี่เห็นอันนี้แหละ อาจะเห็นเทวดาเหนสว่า์เห็นนิพพานที่ไหนมันก็เห็นตัวเรานีู่หละยคำเย็นลงน้อยเ่งที่มันร้อนเราร้อนใจร้อนน้อยเป็นเจ้าอารมณ์โกรธน้อยโตสัจริตเป็นเจ้าหลงหลงน่ายโมัหัดจะดิตเป็นเจ้าอารมณ์ที่โกรธที่คิดที่เรื่องปรุงเรื่องแต่งยเป็นละพัดจะิบเย็นลงบ้างเย็นลงบ้าง วาง ป, ป, ปิดฉากปิดบานเลมันก็หายไปมันก็เปลี่ยนเป็นความดีมีเกิดความรักแต่ก่อนรักลักลอเรัเมียรักพ่อรักแม่ร้กพีนะ่รัน้องต่อมาเราุดรักคนท้อโรคเป็นอัพมัญยาไม่รู้จักไม่มีกออเกตต้องสิ่งรูกหยาบรักต้นไม้แ่นดินเม่กินเ ม, ม็ดทาย มื่มีกลุมแล้วก็ก็ไปเกี่ยวข้องมาเช่็แล้วยิงอยู่เฉยๆไอ้เขี้ยมนั้นมีไม่นานตามตามหน้าที่ของเราทุกคนก็นมีหน้าที่ท่านนั่นแหะมีการนึงงานเท่านั้นให้มันดีแล้ววะเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวเราก็ทําให้ถูกต้องเกี่ยวพิจารณาตัวเองเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ถูกต้องเกี่ยวปิจารณคนอื่น สิ่ที่ไม่เปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนคนอื่นว่าเป็นบุญเป็นจริงเป็นธรรมอะไรที่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนคนอืนไม่เป็นจริงไม่เป็นธรรมเป็นบาปก็ต้องแต่บุญละกันโอ้บุญมาเกิดนี้ได้บุญแล้วใจก็ไม่ทุกข์ไม่เดืร้อนเย็นลงแล้วใจดีแล้วใจดีไม่ใช่ดีใจ ดีนั้นมาตรฐานดีใจไม่ว่าสถานครูแพร่ๆเท่าเดิมเราก็ใจดีได้ดีใจแล้วด้เอาเปียบเขาบางท้าเราตายก็ดีใจว่าโคชนะมันแล้วไม่ใช่เราไม่สเสริญเราชนะคนอื่นพระพุทเจ้าสรรเสรอันต่เราชนะตัวเอง ชนะคอื่นลยท่ากันหนอนไมอชอบชนะตนางเดียวาตาหหะว้คิดต่างเสียอยจนตนเละชนะตนเละไปเสร็จชนะคนอื่นลอยท่ากันหนอนไมชชนะตนครั้งเดียวเลยาากเจ้าตเะหนเริมตัวเองเราจึงการศึกษาเัวมองไปทางนี้ การเห็นทรูปทามากรมนี้คนนำดาเป็นพระเจ้าได้เป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์ได้ทมใหคนเป็นพระได้เราก็ปลกเสกกันแบบนี้ไม่ใช่ปลกเสกที่หีนดินส า, ายโลหใสค น, นให้เป็นพระให้เป็นคนดีเราก็ไปทาดีได้เสเครื่อ ง, งหวงวางให้ไปช่วยคน ไปคิดยาไปดูแลันป่วยมันก็ไม่ได้คนนี้มันทำได้จะช่วยกันได้เราไปดูคนเฉ่งที่ใต้หวัน่นพิชชูนีตนนัง่งต้นเหล่าต่าเรียวตุลงตราเนี่ยจะเห็นคนดีใต้หวัน่นโอ้ตก่งเนี่ยตาย เราก็แกวบรรลุเราก็แก้บรรลุเขาเข อ, ขอยั ง, ง, ง, งทำอะไรได้สร้างโรงพยาบาล5โรงาลสร้างสถานีวิทยุตรวจทัดสีสงองแห่งมีอาสาสมัครหลายมืนคนไม่เอาเินเดืนช่วยกัน ไปดูแลสนุกสนานถ้เราเดินไปเยื่ยมเขาจะมาข้าแถวข้เแถวก็รบกวนมาตักิ่งเลี่ยเแขนสาแต่วันไ้กิตตมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำเองแตวนี้ก็สามารถทำได้ไปช่วยกัน ไปช่วยกันการถกทิ้งหวยเจาที่กันโปรโชันิตายๆโปรโมชนะสุขายะปะอาจาร์เกิดขึ้นทั้งแรกอย่างสีห้ารูพระเจ้าไปไปไปพวกเราเป็นผู้พ้นเล้วจะโปรย ม, มาไปช่วยคนผมว่า พระยองค์ชนะเหตุกาเยะคนมากโ ร, าราการธรรมบัญญัเพื่อโลกให้เกิดความสงบร่มเย็ยนอย่าไปทางละสองลูกนะให้ไปทางลูกเดียวเนี่ยเราก็จะไปโน้มงกลงราคือตอนนี้ก็ดีทางกันทำังให้กันแล้วจะไปช่วยเ <c oughs> กี่ยมาถึงตัวเราจะวันนี่ครับ อะไรที่มามือไทยนะอะไรนะโสดะไปปกติ <c oughs> จำละอนะสองรูปมามังไทยนะสวนน้ำพุ่เนี่ยก็น้ำเข้าไะเีมาโสนะตะมามาไปแคจตางมือไทยจนนะว่า ปัญรไปทางนั่นวัตถะกราไปทางนั่นพัธิยะไปทางนั่นมหานามก็ไปทางนั่นอัตชิตเไปทางนั่นพระพุทธเจ้าปล่อมนั่นทให้กันเลยพรุทธเจ้าบันเิจากาปัญญ า, าไ ป, ปาักจิเนี่ยต่ออกมอง ต้นไปไม่ได้หมากไปตัวเราเดินอยู่คนเดินน่ะสระชี้ก็ไปอยู่แถวๆน่ะแถวอ่าแถวสารนาที่จีพตาณานาเสินท่าบาทเดินมีท่าบาทคนเดียวสระลีบนี่เป็น เวอร์นายต่อการดูหนังฟังเกงก็เดินหาครูอาจารย์ก็เจอสักสัคิดบินส บ, บาทอยู่โอ้สมณะกัวนี้ทำไมดูท่าทางสมุคสิ่งอย่างจริงจริงสนใจมาดนเทศเลยอักคิดเตินบินั บ, บายให้ดูทำให้ดูอยู่ให้เห็น ดาษฐ์ดิษ์วัดนี้ก็เห็นเข้าขอทักใจถ้าเจ็ดถามตอนนั้นก็ไม่เหมาะเพท่านทำไมเจึงเป็นเช่นนี้ได้ทำไมสมมติจรรมท่านรู้ธรรมมาลายเนาะเจ็เป็นอย่างนี้ใครเป็นผัวของท่านเนาะเจ็บมาเป็นอย่างนี้ก็เลยติดตามไปจน มาสักช so ีเด so ินมีแต่บาดต้องทำาังหัวบ้านจอดิบรถเข้าไปรับบาท่านประสงค์จิตนักที่ได้จะบอกสมัยนั้นมันมีวัดเลยเกิดพ้นมันมีหัวบ้างอ๋อแล้ก็ไปในป่าจอดรถทวกหัวจะนนั่งเอาไว้ลำบา สารีพุทธก็นั่งอยู่กลางที่เหมาะสมกอาสกิษสันเจตเขาไปถามว่าท่านเป็นใครบ้านหมายไหมจะรูดทำอะไรใครเป็นคนของท่านผัวของท่านสอนอย่างไรอาสกิษก็บอกว่าอาตมาเป็นบวตใหมาที่สองวันนี้เอง ไม่สามารถแสดงทงอะไรได้แต่พอดก็บอกว่านิดหน่อยก็ดีไม่มากก็ได้ไม่ต้องพูดมากก็ได้นิดนิดหน่อยหนอยก็ดีสักก็เลยก็ถามเป็นว่ายีธรามานิสุปปว่าเตสังเต๋ตุงก็ตาบาโต เดิน chợ อยู่ท c h ี่บังบารีมหาสมโนเราะไปที่ไหนนเสริฟสูตรสักหน่อยไม่ใช่เราเองนะนะเปิดภาษาบ้านเราก็ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดเหตุแต่แตากูต่ิเศ สำนักโคดมเป็นครูของเราคูขอของเราสอนอย่างนี้เราลู่อย่างนี้ก <c oughs> ็ทงนี้เองการบทดงตาเยเห็นธรรมทันทีเราตัวเมื่อกี้เนี่ยผู้ใดเห็นธรมผู้นันเห็นปฏิจจุปปัตติผู้เห็นปฏิจจุปปัตติผู้นั้ น, น, น, ว, น, นว่าเห็นธรรมดวงตาเห็นธรม ไปที่จะหมดบาปนี่แหละคือทุกสิ่ทุกถึงเกิดเหตุจะดับก็ดับที่เหตุระาสำนักโคโลนสอนเราอย่างนี้เ ร, เราลูกเราลู้อย่างนี้ด่าเทานี้เองสาธุโสดได้จ ง, งใจทำจะถืออดิอาศิชิเป็นชาตาิดากรุ่มจะกรุ่มก็อจจาัิชิบอกว่าอย่าเลยนั้นะ มนุษย์ศาสาของเราคือสุนทรภูริมประเภทกาบไปถือร่าศาสนาของเราสำนักพรมเป็นผ้ของเรากรออารหลก็ทั้งมาอพระสำนักพรมยอดที่ใดอยู่นี้อยู่โน้นเราจะคืนโน้นแล้วใช้เราก็ละ จะคิดไปแลจะจคือเรื่องใดเกาคนลานะเท่านึงือนบางทั้งสองไปห่อจ า, ามยได้าังเกือนนั่งมาสาีิตวนันนี้ได้ทราบว่าผ ก, ก้ิ จ, จัตอยู่นัานที่ได จะนอนคืนไหนวันไหนนมาจะทามวัดศิยอยู่ทุกครา้งต้องติดตามถามเขาอาจารย์ศิษิ์อยู่นัดทไรจะอยู่ทันทิดรอออกันง้าทเทิดหรือออกจะศยอยู่ทันเทิดปะตูนง้อทันเทิดปะตเวก็ศิษย์วัดีวััว นนองค์แรกของสัรบุคืออัศจิว่าตนเองนี่การเผยแพร่ศาสนาสมัยก่อ น, น, น, น, น, อนอถ้ามันยากรมันจาก็ได้ลูกสิษ์วัดปะปฏิยาหมาณามัชชิก็มีลูกสิษย์ที่สาบุตนี่สารบุปรก็เป็นปางต่างก็เจ้าที่คงระจอ ส่วนระเทศกับนาลานธาในกล้ๆกันพอพี่เราน้องมาบวดกันหมดแม่บาจะชี้โกรธเขาคุยเจ้าว่าขนลูกชายไปบวดหมดหลาคนที่โกรธยเจ้าจะแมนน่นั้นหาว่าเอาลูกชายไปบวดที่จริงไม่ใช่เอาอาสาที่บวชก็ไปเอาน้องชายน้องชามาบวชหมดแลน้น้องชายมาเขา คนของไหมบวชให้ใหันทีมัอ่อตกลงญาติจะพอไหมหรอือเปลาทำมเราเสียใจจึจวันวนี้เราเอาตั้งบัญชดให้พระเจ้าเขบวชาหนบวชมังคบวชมาหลายคนที่กจะให้ของมาพระเจ้าองบวชมดเลเ จ, จ้าตัวชนะเสียใจ ไ ป, ไปพูดประนันใจกับพระองเองว่าจะจุดบ่วให้ถามพ่อถามแม่ก่อนอยา่างวาให้โดยไม่ได้ใต่ถามพูดอะไรที่เป็นพ่อแม่ทุกคนมีพ่อแม่พ่อแม่ควมองต่อไปอย่าทำแบบเลยก็สถาก วาวันบรดาศิษย์าวกิดถ้าเป็นดวจา ก, ก็เป็นอ น, นุญาโตศิมาแต่ปฏิวี่อ น, นุญาโตสิมาตฏิวิณหวิญญาณมังง น, นยากเลยาายันเอ้าหน้าก็มามาเป็นตอนุญาตแล้วไปถามนี่จะมีศิษยขาบวนนี้ขึ้นมานี่ก็มี จำเนน ร, ร, ร็อๆจำเรนีๆกเร็วๆจเร็วๆจำเร็วๆจำเร็เราวๆจำเร็วๆจำเร็วๆจำเร็วๆจำิน็วๆมำเร็เรำเรีวๆจำเร็วๆจำเร็มีจำเ็วๆจำเร็่ๆเร็วๆจ็วแม่เร็วๆจวๆจำเร็งงนนะวๆจำเร็วๆจว ว่อาบงอให้พิสิแต่งงานถ้าพิสิ์ไม่แต่งงานจะตเป็นลูชายคนโตจะต้องล่าสัมหเคู่สืบตะกูลเด็ว่าหลพ่อจะห้ามไม่พิสิทธ์แต่งงานกขไม่ได้ห้ามอะรแตในที่สุด่แต่งงานอไรนี่ก็ เสียใจของพ่อหรือเปล่าไม่เย่งของพ่อหรให้วิสิตแตง น, นะวิแตง น, นะแตนนะ่ตนต้องมาบวชเนี่ยมาอยู่เทศอกิ น, กนยังไม่เกีเยณเลยลาออกมาวชนะไม่เย่งก็งงงงกวิสิตแตงงานแล้วจขอจต่ การสอนธรรมมันก็เป็นาเป็นมาจนถึงทุกวันนี้สะสมไทยสองสาสสานลูกพันศาสามแสนลูนออกพราประมาณสองสกว่าลูกวัดจุสอมื่นกว่าววัดป่าเนี่แถบคัว ตวตาได้มาจากใครได้มาจากพระมากระจะปักพระมากระจะปักผู้บวชก็เจ็บรุ่นเหลาเขาเรียวกับพระเจ้าสูงเหือกันงามเหมือนกันเหมือนกับพระเจ้าเลยมากระจะปักคือพระจีวรกันแบบสีพระจีวนเป็นเดียวกันแบบก็สงูง รุ่ น, นเราเขาเรียนพรเจ้าบวชแม่หมากป็จฉบับเพียงอบว่าสามพอพระเจ้าเยแท่รกจปะเอิเถรจงมีสติปน็นญาจนมีสติปัานะกัจปะเอรงเรจงเริกุผู้เท่าผู้ปนกาผู้นุ การสัปปะเอ๋ยเรา จ, จึงแยงหูฝังเวลาใครสอนเห่อดื้อดินแม้แต่เด็กสอนก็ฟังแยกหูฝังก็ ม, มายถึว่าปฏิบัติทำสามอย่างนี้บรรลุเป็นพระธรรมเลยไม่มากเจยต้องมีสติปัญกาเจอจงก็ลพลิกตัวผู้เท่าผู้แก่ผู้ปังกาผู้หน่ เธอตรงนี้ของปังเวลาใครสศนเธออย่าประมาณมา เ, าเป็นปะปฏิวัติทำให้ลีก็ไปในป่าอยู่ในป่าไม่มีจะปะ่าพระพุทธเจ้าเป็นปะเอยเธอเ็เจ็บแล้วมออยู่ในบ้านด้วยกันเธอมากป็สป ะ, ป ะ, สะต่อทูลพเจ้าเลยก็อยู่ป่าเป็นวัดไปอย่างนี้ก่อ จะเป็นยิ่งดังเพราะพอสงรุ่นหลองสืต่อไ ป, กกปต้อแจวภาษาทุกนเกิดปุกภาษาทุกวันนี้เราก็รังไฉมากิดเปราะอยา่างตไปที่เชต ว, วันกะติสีวดีนีน่อยากโตทราบดีสารสางดีกะกะติมากถึงว่าหลังน้อย ใกล้ก no no oh ับสีวลีนะคนนั่งไหวไปกับกะติสิวลีเพื่อจะมีลาบสัตว์ละเหมือนสีวลีกระตักกะตีน้อยไม่เหมือนกับนั่งกับนตาลก็ค่นั่งกับกตีหาเกิดสุาไม่จะกาบสีวลีเข้าเลยรแต่จะกับกะตีน้อกิดสปภาโยงตามไปอะไรหรอให้จะกาบสีวลีนะอยานี้หร กรรมกับสตว์เป็นอาจารย์ของเราอาจารย์อยู่ป่าเหมือนกันเราก็เป็นทาป่าเกิดเป็นกบับกันก็ไกไป ก, กับเพื่อนไปปดตองค้อนอีกที่กะติหมาแต่ับป่าเขตต่วันมนสาวกียังมีอยู่มันก็คือเรอื่องศาสนาเนี่ยนี่เพราะเราไม่มีคนรู้เามาสอนกรรมาอย่า อย่ามเชื่อให้ทำดูสัมผัสกลมลู่กลมหลงไปมาทยทกลมหลงได้บ้างเสียตังเอหน่อยเวลาบรรเปลี่ยนหู่ได้ไหมเดี๋ยวบรรลุเปลี่ยนทุกเป็นกลมลู่ด้ไหมเปลี่ยนอย่างนี้อาเปียน ที่ไหนก็เปลี่ยนได้ไม่ต้องมาสุกโตกคนใดแล้วโกรัคนโตกเกลียดกันเลถ้าบกเพื่อนคนห่ก็ช่วยด้วยถ้บอกว่าอความโกรธเป็นอาการของใจไม่ใช่ใจเราเพื่อนเอ้ยแต่ทำตามมาเถอะความโกรธเป็นอาการของใจไม่ใช่ใจใจของเราไม่โกรธดอกปติอยู่ความโกรธมันจอนมา อย่าเป็นล่ามันก็นได้อย่าพูดในเวลาโกรธอย่าไปคิดอะไในเวลาโกรธมีสติไปก่อนเสี ย, ก ย, กยงก็หายไปเวลาโกรธอย่าพูดอดไวก่อนอย่าทำอะไรทั้งสิ้นเสียงก็หายไปไม่จะอยู่ดามแต่เวลาโกรธรีบรีบไปไหนละ่ะรีบไปทาคนนี้เราไม่รีบก่อน ช่ไม่เลยให้ด้ผมอยากให้โกรธก่อนถ้าไม่โกรธต้องหาใหโกรธมันจะด่าไเลอากดิไปด่ากันก็ถามท่านคสอนว่าเวลามันโกรธนัหนึ่งถึงเก่อนค่อยด่ากัแตไม่ใช่อยู่นะดียตอนนั้นโกรธ่อนอน้ยู่ออออยู่สอังดนด่าเท่านั้อ ตกเยอะก็ร้อก็้องก็รก็ร้องคอยสนน้องผมด si ่าน้องตาที่ด่าเท่านั้นอาจารย์ทำอะไรปวดตาแค่กระสรบไม่ว่าจะด่าพระด่าใครก็ข้าก็ได้อย่ารีบร้อนอย่าจั่งจั่งจิตอะไรก่อนอย่าผลผลันแผลนั่นคงมีสติหนิอย่าจั้งจกิตไม่ด่วนแล้วไม่ด่วนละเอีไม่ผลผลันแันแร่นไม่ผัวว่า แต่ทีตเจเลยน้ายแาาก่กว่าเอหมูหมูเดินตามตาก็เดยวไปเชือ่อให้เดินทามไม่ลูก่อนเจ้านี่ทางก็ะกอบให้ฟังตัมายฟังเลยเ้ียวอีกสองสามนาทีมี <c oughs> คนก็ยึงแต่งงันใหม่แต่งงานแล้วก็จดยไปรับจ้าฟางมา หาเัี้ย้งหาเงินพอดีไปทํา ง, งานกับ้หางานทาอยู่พอดีเขาค่นลานทองคนพ้นลอนทอ ง, อ ง, องโจรวิ่งมาเห็นคนไล่ไมาแตเขาถึงถึงเพืไนไล่ตามมา <c oughs> เพื่อนก็เห็นเขาไล่กันก็ววิ่งไปตามเขาพวกเขาจะมาฆ่าวิ่ ไ, ไปตามโจรก็ไล่ไปพอได้ตามพอดูไล่ก็ไล่จากพัน เราจะัสิบจิตฟุกสิบกไปเราไิดุ้งแลก็ทาานอะไรทังหมดเราิุอยู่นี่ออกุเวลามีฟุก็มีพระมาสอนอัดจังยันใจอยัดฝุ่นฟันนแรกกองหมูหยินตาหูอย่าเเชื่อ ถ้าเห็น่างตาก่อนเห็น่างตาก็อยากไปเชื่อถ้าได้ถามดูก่อนหมายเหตุทางบนดูก่อนค่อยตัดสินใจพระสอนอยู่ในคุกนานเกินจะแต่บงคนนี่ก็ฟังที่ว่าตอน uh ี้ก็ออกจากคุกตะลังมากลับบ้านกลับบ้านมาพอเดินเข้าบ้าน มีเรื่องการก็ถามอมาจะไหนเนี่ยคือว่าตายไปแล้วเห็นกับบ้านมากว่าปีนะเออเมียมึงแต่งงานใหม่แล้วเชื่อเรียมั้ว่าเ่นานะพักสอนวายไงยี่ตักหูอย่าไปเชื่ออะไรเมียมึงแต่งงานแล้วแต่ว่าเมียมึงทำปัญหาแล้วพรามึงตายแล้ว กับุญหนาเมื่อเดือนก่อนสัปดห์เดือนก่อนใช่ไหมเสียใจไหมถ้าเป็นสามีเมียแต่งงานไม่ได้ปิดเียงกันอะไรเราขับไปจังมานเราไปดูว่าเราก็คุยบอกว่าไปดูสิอยู่ด้วยกัน น, กนั่นะมีผู้หญิงผู้ชายอะไรค น, นี้เรไปถ้าไปดูตอนค่ำ น่าจริงเลยตาเนาะให้เห็นกับตาก่อนพอไปดูไปเห็นจิตเข้าด้วยกันอยู่ผู้หญิงคนหนึง่งคือเมียของตนสนผู้ชายลูกกงเข้าวโดยกันพอกินข้าเสร็จแล้วไปยกปลาข้าวก็เป็นห้องนอนด้วยกันปิดประตูเลยด้วยเห็นต่างตาแล้วเชื่อที่ยังนะยันอะไรยันเหรอฮะ ก็ไม่ได้ถาครับถามกอนาจารย์หลวงพ่อบอกว่าให้ถามก่อนค่อยเชื่อเห็นตามีนงหูตาขึ้นวันน้นอนจิจดผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงขี้ี้เราเองเผู้ชายไมรู้เรือขึ้นไปบอกวนีตัวเปิดประตูโกรธล้คนน่าโกรธแล้วเห็นเห็นผู้ชายแล้วก็นอน เดี๋ยวจะมีคนตัวห่ก็ร้องให้กอเด๋ยจะี่ใหก็ร้องให้นะผู้หญิงเลยนะเดี๋ยใหก็ร้องให้ดีใก็้องกสาวนี่งคน่าจะนนคนรนอนอย่งนีใครนอนอย่งีู้มแต่ร้องให้อยู่ทองเียตาที่เป็นไครนอนนะพวกเราาท อาจถอนยาจาฮ่าปัญญาตัวนีว้มันตัวอ้งตัลูกของเราเนี่ยแลลวโอ้ยอยาก่าลูกตายแต่งานก็นักจิตตัวปีมีคันตั้งคันออกมาเด็กผู้ชายเกิดเจปีเนี่ยมันก็ม่ใช่น้อยใช่ไหมดูกับเท่ากับแม่เราตว เราไปเก็บค่าโาโบราณท่านจึงอว่าฟังโมวยหอย่าไปเชื่อนะให้เห็นกับตาให้ถามดูก่อนอย่าผุนตันกันเลรู้ว่าปวง่าะจันทร์ตามบาลอวรังก็อีด้วยก็การที่น